ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้บาสุผูบาสิกาผู้ฝ่ยธรรมทุกทา่านวันนี้เป็นวัน <c oughs> จันที่ห้ากันยายนพุทธศักราชสองพันห้ารยห้าสิบสีเป็นวันพระวันธรรมสวนา วันชำระ ก, กายวาจาใจให้สะอาดโดยสุดว่างความสาของกายวาจาใจนำมาซึ่งความสัุขและความเจริญผู้ที่ปรารถนาความสุขและความเจริญก็ต้องหมัน่นชำระ ก, กายวาจาใจ อย่างสม่ำเสมออย่างร้อยอาทิตย์หนึ่ง oh. ก็ควรจะได้ชำระกัรสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ชำระเลยความดิเลกเครื่องเศร้าหมองต่างๆก็จะบักหมงเพิ่มขูขึ้นไปภายในใจทำให้ใจมีความเศร้าหมองมีความทุกข์ มีความเสื่อมแต่ถ้าได้รับการชำระอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอที่จะรักษากายวจาใจให้สะอาดพอที่จะให้ความสุขและความเจริญได้ถึงแม้ว่ายังไม่สามารถชำระให้สะอาดโดยสุด เต็มเปลี่ยนเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาบุทั้งหลายอย่างน้อยการชำระกายวาจาใจทุกสัปดาห์ก็จะทำให้ใจตั้งอยู่ในสุคติได้คือตั้งอยู่เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็น พระอรหันต์แต่ก็จะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเกิดไปใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานหรือไปตกนรกการรักษากายวาจาเราก็รักษาการชำระ ก, กายวาจาเราก็ชำระด้วยการสมาทานสี สีห้าหรือสีแปดตามกำลังถ้าสีห้าก็สะอาดในระดับหนึ่งถ้าสีแปดก็จะสะอาดมากขึ้นไปส่วนการชำระใจก็ต้องใช้การภาวนาเรียกว่าจิตตะภาวนามีอยสองส่วนด้วยกันคือสมถะภาวนา และวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบเป็นสมาธิวิปัสสนาเป็นการสอนใจให้รู้แจ้งเห็นจริงสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความรู้สึกนึกคิดของโลหะอวิชชาถ้าสามารถ ชำะถ้าสามารถจเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปได้ใจก็จะได้รับกายซัพพอจนสะอาดบริสุทธิ์จนกายเป็นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกไปอยู่ที่การชำระนี้เองชำะกายวาจาด้วยการรักษาสี เช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทัพย์ละเว้นจากการกระพื่อผิดตัวเองดีละเว้นจากการพูดโกหมุ่นเท็และละเว้นจากการเสพสุรายยาเมื่อถ้าสามารถรักษาศี่ถึงหข้อได้ก็จะรักษากายวาจาให้สอาด ผู้ที่มีกายวาจาที่สะอาดก็จะเป็นที่นำถือเคาร้ของบุคคลทั่วๆไปเพราะถือว่าเป็นผู้มีความสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รักษาศีลนั่นเองผู้ที่รักษาศีลได้จะไม่สร้างความเดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่สร้างความทุกข์ให้กับตนเองเพราะถ้าไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการกระทำที่ผิดศีลผิดธรรมก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาเวลาไปทำร้ายผู้อื่นใจก็จะเกิดความหวาดกลัวเกิดความวิตกกังวลเวลาไปรักทรัพย์ของผู้อื่น หรือประพุติผิดโดยนีหรือผู้ผลโกหหลอบลวงใจก็จะไม่สบายใจจะมีความวิตกกังวลว่ารุ่งขุมมง่บัวหวาดกลัวที่จะต้องถูกจับไปลงโทษหวาดกลัวที่จะต้องไปรับใช้ผลของการกระทำบาปแต่ถ้ารักษาการวาจา ด้วยสี้นได้ความวมิตกกังวลที่เกิดจากการทำบาป ท, ทำร้ายผู้อื่นก <c oughs> ็จะไม่มีในจิตใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ก็ยังไม่สามารถอยู่อย่างสุขได้เต็มที่เนื่องจากภายในใจยังไม่ได้รับการชำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ที่ทำให้ใจว้าหุ่นขุ่นบัวทำให้ใจมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจอยู่การจะํำระใจได้นี้ต้องใช้การภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนาขั้นต้นก็ต้องจเจริญสมถะภาวนาก่อนเพราะก่อนที่จะเจริญวิปัสสนาได้ ใจต้องสงบใจต้องนิ่งก่อนใจต้องใสใจต้องสว่างถึงจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ใจก็เป็นเหมือนน้ำถ้าน้ำไม่นิ่งน้ำก็จะขุ่นไม่ใสจะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่ในน้าแต่ถ้าน้านิ่งน้ำก็จะใส แล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในน้าฉันใดใจก็เป็นอย่างนั้นถ้าใจยังไม่นิ่งยังไม่สงบใจยังไม่ใสจะไม่เห็นกเกเรตันหาจะไม่เห็นธรรมะที่ปรากฏขึ้นภายในใจก็จะไม่รู้จักว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ แต่ถ้าใจนิ่งใจสงบแล้วเวลาเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาจะเห็นจจกระเพื่มขึ้นมา ท, าทันทีจะเห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นมา ท, าทันทีแล้วเมื่อเห็นด้วยสติด้วยปัญญาก็จะสามารถยุติหรือดับความทุกข์ความกระเพื่มของใจได้ด้วยการใช้ปัญญา เข้ามาสอใจให้ปล่อยวางให้ปลงเช่นถ้าวิตกกังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ปลงว่าอยู่ในโลกนี้หนีไม่พ้นเรื่องของความตายสักวันนึงจะต้องตายกันไปด้วยกันทุกคนดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนักหาสาหัสน้อยเพียงไร ก็ยังไม่เท่ากับความตายซึ่งทุกๆคนจะต้องพบกันถ้าพรอยอรับความตายได mm hmm. ้ก็จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาได้นี่คือปัญญาที่จะตามมาถ้าใจมีความสงบมีความนิ่งแล้วจะเห็นเวลาใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาจะเห็น เราจะเห็นว่าเกิดจากความอยากคืออยากไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ปรารถนากับตนแต่ปัญญาจะสอนใจให้รู้ว่าหลีดเลี่ยงไม่ได้เกิดมาในโลกนี้แล้วต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายต้องพัดร่าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไป นี่คือปัญญาที่เราจะต้องเจริญอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆเพราะใจของเราถูกกิเลสสอนอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างต้องดีทุกอย่างต้องเจริญทุกอย่างจะต้องเป็นความสุขแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกอย่างมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ ทุกอย่างมีทั้งเจริญมีทั้งเสือ่อมถ้าเรามองเพียงด้านเดียวคือมองทางด้านความสุขด้านความเจริญเวลาเราเจอความเสื่อมเจอความทุกข์เราก็จะทำใจไม่ได้เราก็จะเศร้าสศกเสียใจแต่ถ้าเราสอนใจอยู่เรื่อยๆให้เตรียมตัว รับกับการสูญเสียรับกับการเสือ่อมรับกับความแก่ความเจ็บความตายพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาก็จะรับกับเหตุการณ์ได้จะรู้สึกเฉยเฉยไม่หวัน่นวิตกกังวลไม่เสียดายไม่เสีย อ, อกเสียใจอะไรจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไป อะไรจะไปก็ต้องปล่อยให้เขาไปจะปล่อยไม่ปล่อยเขาก็จะไปอยู่ดีถ้าปล่อยก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่ปล่อยก็จะทุกข์ปัญหาของเราอยู่ตรงที่ปล่อยหรือไม่ปล่อยถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องปล่อยเพราะว่าปล่อยหรือไม่ปล่อยเขาก็จะไปอยู่ดี เพรานี่เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่มีการเกิดแลวมีการดับไปเป็นธรรมดาที่ไม่มีใครสามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาของตนได้ต้องปล่อยให้ไปตามความเป็นจริงปล่อยได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์จะไม่เศร้าหมอง ใจจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาท่ามกลางการพลาดพลาดจากกันท่ามกลางความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยท่ามกลางความตายนี่คือวิปัสสนาการสอนใจให้รู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติด ไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเ <c oughs> ช่นร่างกายของเรานี้เราควบคุมไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้เจริญเติบโตไม่ได้เวลาเป็นเด็กมันก็จะเจริญเติบโต <c oughs> พอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ได้ มันก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มันก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดมันก็จะต้องตายไปห้ามมันไม่ได้แต่เราห้ามใจได้ห้ามใจไม่ให้ทุกข์กับ <c oughs> ความ <c oughs> เปลี่ยนแปลงของร่างกาย ไม่ให้ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ถ้าเราภาวนาเป็นดังนั้นเราจึงควรมาหัดเรียนวิธีการภาวนากันจะดีกว่าเรียนวิชาความรู้อื่นๆทั้งหลายในโลกเพราะวิชาความรู้ทั้งหลายในโลกนี้เป็นความรู้ชนิดท่วงหัวเอาตัวไม่รอด รู้มากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยที่จะมาทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่กลับจะทำให้จิตใจมีความทุกข์มากขึ้นไปเนื่องจากความหลงที่คิดว่าตนรู้ตนฉลาดแล้วก็เอาความหลงนี้มาสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าศึกษาวิชา ภาวนาจิตตะภาวนาและปฏิบัติจิตตะภาวนาได้ใจก็จะมีที่พึ่งมีอาวุธไว้ป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาได้การจะภาวนาได้ขั้นที่หนึ่งเราต้องเจริญสติก่อนสตินี้เป็นตัวที่จะควบคุมใจ ไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้ไปเพ่นพ่านตามสถานที่ต่างๆให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาต้องการจะทำใจให้สงบ ก, ก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วใจนี้ก็เป็นเหมือนลิงเวลาที่เราต้องการจะจับลิงเข้ากรงเราต้องมีเชือกคล้องขอลิงไว้พอถึงเวลาจะจับเข้ากรงก็ลาก เชือกเดินเชื่อเข้ามาลิงก็จะต้องเดินตามมาเข้ากลงไปใจก็เช่นเดียวกันต้องมีเชื่อเชื่อ ก, ก็คือสตินี่ที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้เป็นสมาธิเรียกว่าสมถะภาวนาดังนั้นในเริ่มต้นเราต้องมาฝึกเจริญสติกัน วิธีฝึกสตินี้เราก็ฝึกได้ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเราควรจะฝึกจเจริญสติอยู่เรื่อยๆด้วยการดึงใจดึงความคิดของเราไม่ให้อยู่ที่อื่นให้อยู่กับร่างกายของเราให้ใจเราเฝ้าดูการกระทำของร่างกายของเรา ถ้าใจจะไปคิดเรื่องอื่นก็ให้ดึงกลับมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธเช่นกำลังอาบนา้ำใจไม่ยอมอยู่กับการอาบนา้ำจะไปคิดถึงเรื่องงานที่สำนักงานที่ทำาที่ทงานก็ต้องดึงใจกลับเข้ามาให้อยู่กับการอาบนา้ำด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธแล้วก็ เฝ้าดูล่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังอาบน้าก็ให้เฝ้าดูการอาบน้าเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่ากับการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่าให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีสติพอมีสติแล้ว เวลาจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วให้บริกรรมพุโทโธก็ะจะพุโทโธถ้าพุธทธถ้าพุโทโธอย่างเดียวไม่นานใจก็จะรวมเข้าสู่ควาสมสงบหรือจะให้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ใจก็จะไม่ไปที่อื่นจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่อง แล้วก็จะค่อยสงบตัวลงไปเทียเล็กเทียน้อยเวลาสงบนี้ก็เป็นเหมือนกับมันตวูบลงไปใจจะวูบลงไปแต่ไม่ได้วูบแบบหลับวูบแบบมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาวูบไปบางทีวูบอย่างรวดเร็วก็ลงเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เลย พอใจสงบแล้วก็เรียกว่าเป็นสมาธิจะมีความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เวลาสงบเวลามีความสุขก็อย่าไปรบกวนปล่อยให้สงบไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนกว่าจะถอนออกมา เวลาสงบนี้จะไม่มีความคิดตุ้มแต่งแต่เวลาออกจากความสงบแล้วก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนที่เริ่มคิดนี้ควรที่จะเอาวามคิด น, ะนั้นีมาคิดทางวิปัสสนามาคิดทางปัญญามาคิดตามความเป็นจริงคือคิดถึงความไม่เที่ยงคิดถึงความทุกข์ ที่เกิดจากความยึดติดเกิดจากความอยากและคิดถึงความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราของเราไม่มีอะไรที่เราจะคว บ, บคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ อ, อยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็จะรู้ทันทีว่าเกิดจากความอยาก อยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะอยากเพราะอยากเราจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาสร้างความหวาดกลัวขึ้นมาไม่มีใครอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายกันเพราะความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บนี้เอง ถึงทำให้บาดกลัวกันทำให้ทุกข์กันเวลาคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายแล้วจะไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจจะไม่อยากคิดนะแต่สักวันหนึ่งก็จะต้องเจอพานจริงอันนี้ถ้าไม่คิดไว้ก่อนไม่เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ทำใจไว้ก่อนเวลาเจอของจริงแล้ว จะทุกข์ทรมานใจมากยิ่งกว่าในขณะที่คิดถึงตอนนี้เราคิดมันยังไม่เกิด เ, ดเหตุการขึ้นเพียงแต่คิดเราก็ยังทุกข์เลยแล้วถ้าเวลาเจอเหตุการ์จริงขึ้นมาจะทุกข์ขนาดไหนแต่เราสามารถใช้ปัญญานี้ดับความทุกข์ลานี้ได้ถ้าเราสอนใจให้เห็นความจริงว่า ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมดทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดคนที่ยอมรับความจริงนี้จะไม่ทุกข์เช่นพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายท่านเห็นความจริงแล้วท่านยอมรับความจริงท่านไม่ต่อต้านท่านไม่ฝืนความจริงใจของท่านก็เลยไม่ทุกข์ กับความแก่กับความเจ็บกับความตายแต่ถ้าใจไม่ยอมรับความจริงฝืนต่อต้านพยายามต่อสู้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจเกิดความหวาดัวขึ้นมาตลอดเวลาดังนั้นขอให้เราพยายามเจริญวิปัสสนาภาวนาหลังจากที่เราออกจากสมถะภาวนาแล้วออกจากสมาธิแล้ว เราไม่ควรปล่อยให้ความคิดของเราคิดไปในทางของกิเลสคิดอยากอยู่ไปนานๆอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายอยากไม่พัดพลาจากของที่รักที่ชอบถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นการขุดหนุงฝังตัวเองหรือเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองโดยใช่เห อย่าไปคิดแบบนี้เพราะความคิดแบบนี้แหละที่ท่านเรียกว่าเป็นสมุทยัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นกิเลสเป็นตันหาที่จะมาทําให้จิตใจเราเศร้าหมองทําให้จิตใจเราตกต่าทําให้จิตใจของเราทุกข์แต่ถ้าเราคิดตามความจริงคิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้งพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาคิดอย่างนี้แล้วใจจะสงบใจจะเย็นใจจะเป็นปกติจะไม่ว่างหุนขุนมัวไม่เดือดร้อนแต่ก่อนที่จะคิดอย่างนี้ได้ใจต้องมีควาสมสงบก่อนต้องมีสมถะภาวนาก่อนเพราะถ้าใจไม่สงบเวลาคิดอย่างนี้จะเกิดความขดขู่ใจขึ้นมาจะเกิดความ ท้อแท้เบื่อหน่ายขึ้นมาซึ่งเป็นการกระทำของกิเลสตัณหาที่อยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าเราทำสมถะภาวนาทำใจให้สงบได้กิเลสตัณหาก็จะถูกตัดกำลังไปจะทำให้ไม่สามารถมาสร้างความรู้สึกกดหู่ท้อแท้เบื่อนายเวลาที่เราพิจารณา ความแก่ความเจ็บความตายได้นี่คือเวลาที่เราควรจะพิจารณาก็คือหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วออกมาจากความสงบแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งความสงบก็จะค่อยๆหายไปแล้วกิเลสตัณหาก็จะมีกําลังมากขึ้นพอเรามาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดความปิดหัวใจขึ้นมา ถ้าเกิดความหดถูใจเราก็ต้องหยุดการพิจารณาทางปัญญาไว้ชั่วคราวแล้วกลับไปทาใจให้สงบก่อนนั่งสมาธิจเจริญสัมมาถัภาวนาให้จิตสงบเพื่อเป็นการตัดกำลังของกิเลสตัณหาพอออกจากสมาธิใหม่ๆกิเลสตัณหาจะไม่มีกำลังที่จะมาสร้างความรู้สึก ดหดูกหดผูใจท้อแท้เบื่อนาได้ตอนนั้นเราก็จะสามารถสอนใจให้เห็นความจริงได้เมื่อสอนเห็นอยู่บ่อยๆต่อไปก็จะเห็นตลอดเวลาพอเห็นตลอดเวลาแล้วความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เพราะความจริงคือปัญญาจะคอยสกัดไว้นั่นเอง แล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์ต่อไปนี่คือวิปัสสนาภาวนาความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมเช่นร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาถ้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้แล้วก็จะรับเหตุเหตุการณ์ได้อย่างสบายไม่รู้สึกวุ่นวายใจแต่อย่างใด เพราะความทุกข์ความวุ่นวายใจก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแต่จะกัด่อนจิตใจทำให้เศร้าโศกเสียใจจนอาจจะถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายอยากไม่อยากจะอยู่ต่อไปดังนั้นขอให้เราพยายามชำระใจของเราอยู่เรื่อยๆด้วยการเจริญสติเพื่อนั่งสมาธิให้สงบ แล้วพอออกจากความสงบก็ให้เจริญปัญญาพิจารณาอนิจจทุกขังอนัตตาแล้วต่อไปใจของเราจะได้ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี่คือเรื่องของการมาวัดในวันพระก็เพื่อมาชาระกายวาจาใจให้สะอาดเพื่อเราจะได้มีความสุขและความเจริญไม่มีความ ทุกไม่มีความเสื่อมเสียการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอควพษษาพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพ็ญกันในวันนี้จนงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันน้สุขภาร ะ, ทะ โดยทั่วหน้ากัรเธอ